ก็ามาขึ้นรายการมงคลต่อเลยนะเมืม่อคืนไ ด, ได้กี่มงคลเนาะสิบมงคลเก่งมากเก่งมากนะได้ตั้งสิบมงคลแล้วนะทวนนะหนึ่งมงคลข้อที่หนึ่งมาหนึ่งไม่ครบคนพานสองครบบัณฑิตสามบูชาบุคคลที่ควรบูชาสี่ อยู่ในปฏิเรศที่สมควรห้าปุเพกะตะปุญญาตาหกอัตตะสัมมาปณิทิต่อไปพระโสัจจะศิลปะวิในที่ศึกษาดีแล้วสุดท้ายวาจาสุภาษิตลูกน้องภูการเนี่ยเก่งมาก ในขนาดหัวหน้าไม่อยู่แค่แป๊บเดียวนะนะทุกชั้นจําได้เกือบหมดแล้วจะลุ้เลยหัวหน้าไปแล้จะก้าวหน้าเกินหัวหน้าแล้วครับนี้ทีนี้ก็บอกว่าไม่ครบคนพานให้ไปครบบัณฑิตเนี่ยถ้าเกิดเราตอนที่เราพานนี่เราจะทํำยังไงสมมคือถ้าเรางี่เง่าขึ้นมานึกโทสะขึ้นมาเฉยๆอย่างงั้นนะเนี่ยทไงละครับเนี่ยอ้อเรียบหาบัณฑิตเลยนะเก็บแก้เรีบชําระเอากันแล้วกัน เพราะไม่งั้นนี่ก็พานกับบัณฑิตมันเป็นอยู่พักๆอ่ะนะอีกพักก็เป็นพานอีกพักก็เป็นบัณฑิตอีกพักก็หลับเป็นอัพยากระตาไปก็สลับสลับเคลเคล้ากันไปอย่างเงี้ยนะก็แก้ๆเอานะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะคําว่ามงคลเนี่ยแปลว่ามงคลนะเหตุแห่งความเจริญนะเหตุให้ได้รับความเจริญแต่ถ้าอภิมงคลมีที่ไหนเมื่อไหร่ก็แสดงว่านั่นเป็นเหตุแห่งความเสื่อม ถ้าเรารู้จำแนกแยกแยะว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมก็ละเว้นเหตุแห่งความเสื่อมตั้งอยู่ในเหตุแห่งความเจริญนี่มาขึ้นมงคลที่เท่าไหร่ที่อนะมาตาปิตุอปปทานางังปุตตะทารสังฆโหอนาคุลาจากรรมมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังัเมื่อ <Okay. S 1> กี้เก่งมากนะหลายคนว่าเป็นบาลีเลยบางหลายคนก็ว่าเป็นภาษาไทย นนะชมทั้งหมดถ้าอาตมาเป็นคนให้คนะแนนนัดถูกหมดเลยเนะว้นไว้แต่จำ ม, มาผิดนตาลีก็ได้ไทยก็ดีนะการบำรงเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้นเนี่ยเป็นมงคลอันนี้มงคลสองข้อแสดงคู่กันเลยนะในหน้าหนึ่งร้อยแปดบแปด เพราะว่าการเลี้ยงดูมารดาก็นับหนึ่งมงคลเลี้ยงดูบิดาก็อีกหนึ่งมงคลเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามงคลสองข้อแสดงควบคู่กันไปเลยบางคนที่มีแต่มารดาก็เลี้ยงมารดาบุคคลที่มีแต่บิดาก็เลี้ยงแต่บิดาผู้ที่มีทั้งมารดาบิดาก็เลี้ยงทั้งมารดาและบิดาสตรีผู้ยังบุตรให้เกิดเรียกว่ามารดาบิดาก็คือผู้ยังบุตรให้เกิดะนะ ทีดาด้วยนะถ้าใช้คําว่าบุตรที่ไหนก็บวกที่ดาเข้าไปด้วยเดี๋ยวเขาว่าเลี้ยงแต่ให้แต่ลูกชายเกิดเนนะลูกสาวไม่ให้เพราะฉะนั้นถ้ามีบุตรกับที่ดาคู่กันเอาแต่บุตรก็พอ <Okay. S 1> การทําอุปการะด้วยการล้างเทา้านวดฟันขัดสีให้อาบน้ําและด้วยการมอบให้ปัจจัยสี่ชื่อว่าการบํารุงใครเคยล้างเทา้าให้พ่อให้แม่บัางกรุณายกมือขึ้นหน่อยเธอจะได้นุมโมทนาถูก โอ้สาธุสาทุอ๋อพ่อแม่สีนี้กำลังพูดพ่อแม่อยู่อ๋อแช่น้ำนวดเท้าทุกเช้าอืสาธุมีบุญมากนะเปิดเทปธรรมะให้ฟังอีกทำไมมีบุญจังเนะาะทำบุญอะไรมาเนาะอไ๋อได้อุ้มด้วยเป็นครั้งคราวอะนะเก่งมากอนะสะผมให้ด้วยแต่งตัวให้ด้วยอาบให้ด้วยโอ้นี่เข้าหลักํำพีเลยนะเนี่ย อันนั้นเป็นเหตุแห่งความเจริญคุณอรไยได้ทานันนะทาแล้วนะแล้วคนร่วงได้ทําหรือเปล่าพาไปโรงพยาบาลนะเอ่อาไปยังไปยังดีละก็กลุ่มป้านาทั้งหลายนี่ก็ได้เลี้ยงมารดาอยู่นานนะพวกการว่าไงนะที่พี่น้องเลี้ยงดูแม่ดีเป็นอย่างดีเนี่ยนะปลื้มใจยังไงบ้าง ก็ أ, เราก็ต้องให้คนที่กระตันอยู่เขาพูดให้ฟังมันจึงจะทราบซึ้งใช่ไหมคนที่บำรุงพ่อแม่เล่าให้ฟังเนี่ยจะเรียกว่าเข้าถึงอัดถึงคำดีคือคุณแม่ผมตอนตอนปั้นปลายชีวิตก็ก็อายุยืนนะแต่เป็นก็ไม่เชิงอัมพาตนะฮะก็แก่มากครับไปไหนมาไหนไม่ได้แล้ว แต่ว่ามีลูกสาวเยอะนะฮะมีลูกสาวตั้งเจ็ดคนนะฮะแล้วก็มาอยู่บ้านพี่นาคนี่นะฮะแล้วก็พี่นาคกกับน้องกับผมรวมอยู่กลุ่มแถวนั้นนะฮะก็ดูแลแม่อย่างดีเลยจนเป็นทีเ่เรื่องลือกันไปแถวแถววัดใหมพ่พิเลนว่ า, ว า, เ, าเราดูแลแม่เป็นอย่างดีนะฮะคือ คือคนมีอายุเนี่นะฮะแล้วก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ได้บ้างนะตอนท้ายๆนี่ปีท้ายๆนี่ช่วยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนพยาบาลก็แก่นะครับหกสิบเจ็ดสิบแล้วโอ้เห็นใจนะแล้วท่านก็ตื่นตืนลุกๆกอะไรท่านคืนเนี่ยนะอเนะแล้วไม่ยอมรับพยาบาลด้วยเพราะรักลูกมากเลยนะ จัดพยาบาลมายัางไงก็ไ ม, ไม่ไม่ชอบนะก็ต้องต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดลูกนะให้ให้พยาบาลเจ็ดสิบดูแล <c oughs> โอ้ยพยาบาลเจ็ดสิบต่างกันมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่ากันทั้งนั้นเลยนะมาลุกพยุงลุกพยุงนั่งเลยโอ้อยเห็นใจจริงๆเลยนะพยาบาล <c oughs> ต้องช่วยมีคนพยาบาลอีกครั้งนะึ่ง <c oughs> เป็นปีปีหลายปีนะเราอดทนทําด้วยความอดทนทําด้วยความเคารพความเมตตานะหเห็นใจจริงๆนะ ส่วนผมอยู่ไกลผมก็ก็เออก็ช่วยเหลือเป็นเรื่องของปนะัจจัยไปนะฮะพ่อแม่อยากจะทำอะไรเอาเต็มที่เลยนะฮะจะทำบุญทำทานอะไรแม่ชอบทำทานมากเพราะว่าแม่เป็นคนที่อ่าเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมากเป็นเป็นคนที่มีเมตตาสูงมากเลยนะผมจาความได้ผมเอ่อพวกพวกเราพี่น้องไม่เคยถูกแม่เนี่ยพารุษสวัสดิ์จารเลยไม่เคยเลยนะฮะ เพราะแม่เป็นคนใจดีมากนะฮะจนกระทั่งเป็นที่เรื่องลือกันในตรอกนั้นว่าเราดูแลแม่เราอย่างดีมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็วันที่เผาศพนะฮะญาติก็มาเยอะเขาบอกอ่าผมขึ้นไปกล่าวอะไรหน่อยนะผมก็ขึ้นไปกล่าวบอกว่าเออเนี่ยน ะ, ะพวกพวกผมเนี่ยได้ได้มีจาริตศีลแล้ว น ะ, ะเพราะว่าด้ดูแลพ่อแม่อย่างดีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะเมื่อพ่อแม่เสียไปก็ไม่วิปฏิสารแล้วนะไม่เกิดวิปฏิสารว่าเออเราเสียใจเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่เราได้ทําเต็มที่แล้วนี่นะนี่เป็นวาลิตศีนะเป็นทําให้เป็นมงคลอย่างหนึ่งนะแล้วก็ทําให้ลูกหลานเนี่ยเจริญก้าวหน้าทุกครอบครัวเลยน ะ, น ะ, ะก็ป ร, รากฏว่าโอ้เขาต่างกลับไปปฏิบัติดูแลพ่อแม่ก็เป็นการใหญ่เลยนะ ทนะี่น้องหลายหลายคนว่าไหนพี่เลนกคขาต้องกลับไปดูแลพ่อแม่เขามั่งแล้วนะอันนี้ท่านจะขูดวัดมาดูเอ๊คนไหนนะพูดธรรมะนี่นะใชโงงหน้ามาดูที่วัดพี่เลนนะนะก็อันนี้ก็ก็ขออนุโมทนาด้วยนะที่ท่านทั้งหลายได้ได้ดูแลพ่อแม่นะฮะซึ่งเป็นพระทหารในบ้านนะฮะนี่ก็เป็นเป็นมงคลอย่างยิ่งทีเดียวนะขอบคุณครับ ก็หลายท่านที่นี่นะเฉพาะที่อาตมารู้จักนี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยเป็นผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแมนะ่ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดก็มีโอกาสได้ล้างเท้านวดเท้าขัดสีให้อาบน้ำานะอันนี้ถือว่าคนใกล้ชิดนไะด้แต่งตัวให้อันนี้พูดถึงคนใกล้ชิดถ้าหากว่าห่างออกมานิดหนึ่งพวกนี้ก็ช่วยในด้านปัจจัยสี่ พวกที่บ้านใกล้เรือนเคียงก็มีกับข้าวมีอาหารมีอะไรก็เอาไปฝากนะนะและอีกถ้าไกลไปกว่านั้นอีกก็ช่วยเป็นเงินเป็นทองนะนะก็มีวิธีการแบ่งเป็น3ระยะใช่ไหมระยะอยู่ในที่เดียวกันก็มีการอาบน้ำคัสซีบีบนวดดูแลให้อาหารแบบใกล้ชิดเลยถ้าหากว่าบ้านไกลไปอีกนิดหนึ่งก็มีอาหารอะไรดีๆมีอะไรที่ตัวเองประทับใจพอใจก็ ยกให้พ่อให้แม่ก่อนแล้วค่อยบริโภคในภายหลังอันนี้สำหรับบ้านใกล้เรือนเคียงและแวกเดียวกันถ้าไกลไปกว่านั้นอีกนะก็หาเครื่องบรรณาการทั้งหลายเนี่ยนะะตุปัจใจเงินทองทั้งหลายนี่ก็มาช่วยเท่าที่จะทำได้เราทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้นะไม่มีใครที่อัปมงคลในข้อนี้หรอกถ้ามีนะแม้แต่คนเดียวคนนั้นนั่งฟังทาไม่ได้เนี่ยนะหรือคนที่ทาถึงถึ ง, ถงทาอัปมงคลข้อนี้เนี่ยนะ ตอนหลังก็ขอขมาแล้วก็ทำตัวได้ดิบได้ดีซะส่วนใหญ่เพราะคนที่ไม่บำรุงพ่อแม่เป็นต้นนะยากที่จะฟังทำได้เชื่อเถอะขนาดผู้มีอุปการะคุณเขายังไม่อุปการะนะจะกล่าวปลายายถึงอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็มีมงคลข้อนี้อยู่แล้วละมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรนะโดยที่สุดโยมพ่ อ, อตมานี่ก็นับว่าเลี้ยงคุณปู่ดีนะนนเกิดมาก็เราจะกินข้าวก่อนแกก็ไม่ยอม ก็ต้องตักให้ปู่สักก่อนเนี่ยนะปู่นี่ดีดยังไงทําไมเราก็ไม่ค่อยได้กินสักทีนะอะไรอะไรก็ให้แต่ปู่ให้แต่ยญ้าหมดแต่เราเป็นลูกก็ไม่ค่อยได้กินสักทีเนี่ยนะก็มีมงคลข้อ น, นั้นอนะถึงข้ออื่นๆได้ไม่มากแต่ก็ยังมีข้อ น, นี้เอาไว้เป็นทุนเป็นสเสบียงให้ได้ศึกษาพระธรรมกับเขาบ้างการบํารุงบิดามารดาเนี่ย น, นะเป็นกิจที่กุลบุตรทั้งหลายควรทําเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่ทํานะ ผู้นั้นน่ะจะเดือดร้อนตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยพอพูดถึงคําว่าพ่อคําว่าแม่เขาจะไม่ปีติโสมนัสเลยเขาจะค่อนข้างโทมนัสมากประดุดเหมือนคนที่อยู่ในพระศาสนาแล้วไม่ปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าเขาก็จะไม่ปีติโสมนัสอะไรเลยนันั้นใครที่ละลึกถึงพ่อระลึกถึงแม่แล้วปีติโสมนัสได้โดยที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอกุศลเนี่ยนะ ปีติโสมณัตได้ี่ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากเป็นผู้ที่ปฏิบัติสัมมาปฏิบัติอยู่กับพ่อกับแม่จริงๆนะตั้งอยู่ในสัมมาอัตตสัมมาปณิทิแต่ก็มีเมื่อไม่นานเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกล่าวถึงพลทหารคนหนึ่งอนะเขาว่าที่ไปเยี่ยมทหารในชายแดนและทหารเนี่ยหมวกนี่เป็นรูมหมดเลยแต่ว่าทหารไม่ตาย เกิดอะไรขึ้นก็เลยถามทหารทหารบอกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นบอกเอาผ้าถงแม่ใส่ในนั้นอะไรปราณนั้น <c oughs> เอาเป็นเครื่องรางอย่างดีนะเมื่อนี้ไม่ใช่เรื่องนานนะเมื่อสักเนี่ยสมัยที่เวียงแหงเนี่ยเมื่อสักสองสาเดือนที่แล้วนี่เองนั่ น, นกันก็แคล้วถือว่าเป็นเครื่องรางเพราะผู้ที่เคารพนับถือบูชาพ่อแม่เนี่ยนะถือว่าเป็นผู้ที่ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อ พ, พ่อแม่นี่เป็นผู้มีอุปการะคุณจริงๆที่พ่อแม่มีอุปการะคุณต่อบุตรทั้งหลายเนี่ยแบ่งออกเป็นถ้าเป็นฝ่ายแม่นเนี่ยนะกว่าจะได้ลูกอ้อนวอนขนาดไหนตั้งความปรารถนาอยากจะมีลูกไรห้หคนเนี่ยมีลูกยากก็ทำทุกวิธีการเพื่อให้ได้ลูกทีนี้พอได้ลูกแล้วนเนี่ยนะก็เลี้ยงดูทุกอย่างใช่ไห ทีนี้ลูกเนี่ยมันมันมันคือขันห้าดีๆนี่แหละที่จะต้องบำรุงเลี้ยงดูเลี้ยงดูทั้งรูปประคันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยนะอบรมเลี้ยงดูเขาทุกขันเลยเช่นรูปประคันก็อาบนา้ําดูแลอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะเกี่ยวกับอาการสาสิบสองพ่อแม่เข้าไปเกี่ยวข้องเกือบทุกเรื่องนะดูแลอาการสามสิบสองทุกอย่างมีผมก็ตัดผมให้ นะล้างปากให้ล้างคอให้ล้างหน้าล้างตาให้อุจจาระประสัสสาวะเช็ดให้ดูแลทุกอย่างเรียบร้อยหมดในนั้นะเลี้ยงดูรูปประคันหนาวก็หาผ้ามาให้ร้อนก็พัดวีให้ปล่อยเกวให้อะไรให้นะี่เลี้ยงดูกว่าจะเจริญเติบโตทีนี้ไอ้เฉพาะเลี้ยงดูนี่ก็ก็นับว่า ม, มากแล้วนะแล้วก็ยังต้องไปหาสเบียงมาเลี้ยงดูอีก นะเพราะว่าปัจจัยสี่ของพ่อแม่ทั้งหลายดูเถอะอย่าเราดูง่ายๆอย่างคนที่กําลังมีลูกมีหลานในตอนนี้จะเห็นชัดนะคนที่กําลังมีลูกในตอนนี้ประกอบอาชีพเพื่อจะเลี้ยงลูกพ่อแม่หลายคนก็บอกว่าลูกเขาเรียนจบเขาจาัดสบายเนี่ยนะเขาจัดสบายถ้าเรียนจบแล้วจัดสบายจริงหรือเปล่าไม่ทราบพวกกัน <c oughs> นะเขาว่ากันอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็สบายแล้วเดี๋ยวมันจบแล้วก็สบายแล้วนะหวังว่าจัดสบาย ทนี้เราก็มาดูว่าพ่อแม่เนี่ยนะประกอบอาชีพเนี่ยกว่าจะได้ปัจจัยมาเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนใช่ไหมบางคนนี่อดตาหลับขับตานอนทํางานทั้งคืนทั้งวันเนี่ยนะเพราะว่าได้ชื่อว่าถ้าได้ทุนก้อนนี้นะลูกเราจะสบายเขาไม่เคยหันไปดูพ่อแม่ขนาดสขนาดนั้นหรอกแต่ว่าลูกเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อล้านไปหมดเลยเมื่อเช้านี้ก็ยังทํามีกระถากับพวกพวกวัยเดียวกันเนี่ยว่า ลืมพ่อลืมแม่กันหมดเลยครับว่างั้นนึกถึงคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ถ้าส่วนใหญ่ะคนใกล้ๆนะที่ไม่ใช่พ่อแม่นะแล้วขณะเดียวกันนะถามจริงๆเหรอพวกลูกๆทั้งหลายนี่เลี้ยงง่ายนักหรืออย่างไรนะเลี้ยงง่ายไหมลูกๆทั้งหลายนั่นก็อยู่ในท้องเนี่ยไล่ออกมาเหรอพอมันเจริญเติบโตมาเนี่ยนะเป็นเด็กเล็กขี้แงกันกุมชูเล่าให้ฟังว่าป้อนข้าวอยู่ครั้งละครึ่งวันว่างั้นฮ ล้านก็นะป้อนมันก็แปดโมงแล้ไปเสร็จสิบเอ็ดสิบสองโงนะนัะป้อนให้มันเคียเค้ยวเคี้วเคี้ยวแล้วมันก็พ่นทิ้งท่งอันนะไมคนป้อนนี่จะรู้สึกยังไงมีความสุขมากไหมทุกมากเลยนะจะเวลาจะให้เขากินทีก็ต้องรบกันทีนั่นแหละนะเรื่องราวใหญ่โตนี่ถ้านี่ยนะยังเด็กๆตัวนิดเดียวเองนะถ้ามันโตขึ้นกว่านั้นอีกมันเริ่มงองแงเริ่มสุกซนชนนั่นจับนี่เสียหายหมดแหละ แล้วก็เดือดร้อนอีกใช่ไหมแล้วมันโตส่งไปเรียนอีกมันเรียนอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าส่งไปเรียนมันไปที่ไหนกล่องหมายรู้เนี่ยนะกลับบ้านเวลานี้ควรถึงบ้านไม่ถึงอะ่ะพ่อแม่ก็เดือดร้อนแล้วหลายๆคนในห้องเนี่ยนะถ้าได้ลูกเข้าเรานี่น่าสนใจไหมถ้าเราสมมุตินะถ้าเรามีลูกขอให้ลูกเรานี่เหมือนเราเช่นเราเลยนะหลายคนนี่ปลื้มใจไหม <c oughs> ก็นับว่าถ้าปลื้มใจก็นับว่าคนนั้นเยี่ยมเลยนะ เอาตัวเองเป็นพยานได้ไหมถ้าได้ลูกเช่นเราก็คอยอย่างก็ดีแล้วอย่างนั้นนะแต่ว่าหลายๆคนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะบอกว่าถ้าได้เท่าเรานี่เย่เลยนะน่าจะดีกว่าเรางนั้นมันทั้งฝ่ายพ่อแม่เองนี่ก็เลี้ยงด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความยากลําบากฝ่ายลูกหลานเองก็ไม่ใช่ว่าจะยอมให้เลี้ยงง่ายๆเนี่ย น, นะแตก่กว่าทําเรื่องซับปั่นป่วนจนพ่อแม่เดือดร้อนหมดกินไม่ได้นอนไม่หลับปรึกษากันดึกเดินเที่ยงคืนในเรื่องลูกนี่แหละ แต่ขนาดนั้นก็ยังหวังว่าถ้าเขาเจริญเติบโตแล้วเขาจับสบายนั้นพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยมีอุปการะคุณเลี้ยงดูพ่อแม่คิดว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อลูกจริงๆถ้าเปรียบเทียบถึงสิ่งที่จําต้องทนนะนะจำต้องอดทนเนี่ยไม่มีอะไรที่บุคคลทั้งหลายจะอดทนเท่าเกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยนะเขาเขาอยู่ด้วยความอดทนด้วยความยากความลําบากเหน็ดเื่อยจริงๆเขาไม่เคยทนอะไรขนาดนั้นหรอกอนเะี้ ไม่เคยทนอะไรอยู่กับของสกปรกเท่ากับการเลี้ยงลูกไม่มีอะไรที่จะลําบากเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้นะของมาไม่เคยมีหรอกแต่เห็นเห็เขาเลี้ยงอ่ะนะต่เล่าให้ฟังจริงก็หลายๆคนในที่นี้ก็โอ้แต่ก็มีหลายคนที่ไม่มีลูกนะแต่ว่าหกสิบจ็ดสิบเปอร์เซนตก็มีลูกกันก็คงมีเข้าใจปัญหาว่าอะไรมันเป็นอะไรอนะแล้วเราทั้งหลายก็เคยเป็นลูกกันทุกคนอยู่แล้วและก็กําลังเป็นลูกอยู่ใช่ไหมพ่อแม่ไม่ใช่ว่าจะคุยกับเราง่ายๆนะใช่ไหม เราบอกจะไปพ่อบอกยาเราพ่อก็เรื่องของพ่อที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพื่อนเราจะทำอันนั้นนะเพราะนั้นแล้วพ่อจะคิดยังไงอ่อเนี่ยนเพราะว่าพ่อแม่นั้นมีอุปการะหวังประโยชน์อนุเคราะห์บุตรทั้งหลายหวังประโยชน์ของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรเป็นเมตตาของพ่อแม่ความกรุณาเห็นใจของพ่อแม่อนุเคราะห์เรียกว่ากรุณาเพราะฉะนั้นทั้งเมตตาทั้งกรุณาต่อของพ่อของแม่ที่มีต่อบุตรทั้งหลาย ท่านบอกว่าเห็นบุตรทั้งหลายเล่นอยู่ข้างนอกเดินมามีเนื้อตัวเปื้อนด้วยฝุ่นก็เช็ดฝุ่นให้จูบจอมถนอมเกล้าเกิดความรักความเอ็นดูนะขนาดว่ามอมแมมไปสหมดนะก็ยังเอาลูกมากอดมาจูบได้อะไรได้ด้วยความรักด้วยความเสน่หาเนี่ยนะบุตรทั้งหลายเนี่ยนะกล่าวถึงว่าผู้ที่มีความรักความหวังดีต่อเราขนาดนี้เนี่ยถ้าจะตอบแทนคุณท่านละ่ะ ทูลมารดาบิดาเอาไว้ถึงร้อยปีเอาศรีรษานะทูนให้ท่านใช้ชีวิตอยู่บนศรีรษะของเราเลยนะทูนไปเลี้ยงสักร้อยปีก็ไม่อาจจะทําปฏิการะคือทําตอบสนองคุณของมารดาบิดานั้นได้เพราะเหตุที่มารดาบิดานั้นเป็นผู้ดูแลบํารุงเลี้ยงแสดงโลกเนะเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเหมือนกับเป็นพรหมเหมือนกับเป็นบุรพาจารย์เหมือนกับเป็นพรหมก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มี มีอะไรมีเมตตาต่อบุตรถ้าบุตรเล็กๆนะพ่อแม่หวังว่าให้ลูกคนนี้เจริญอันนัมีแต่หวังความเจริญโดยฐายเดียวใช่ไหมไม่มีใครหวังว่าเออโตมาจะได้เป็นขี้เล่าเมายาเป็นต้นไม่มีใครคิดหรอกคิดแต่ให้เขาได้รับความสุขความเจริญสุขภาพดีหวังว่าบุตรคงจะมีความสุขทีนี้ถ้าหากว่าบุตรมีปัญหามีความเดือดร้อนพ่อแม่นี่เป็นผู้ที่ลำบากใจที่สุดนนะถ้า ถ้าลูกทั้งหลายมีปัญหานะพ่อแม่ดูจะเดือดร้อนกว่าผู้อื่นทั้งหมดเลยเนะถ้าลูกได้ดีนะพ่อแม่จะดีใจมากกว่าคนอื่นถ้าเทียบกับคนในแวดวงเดียวกันหรือแวดวงอื่นก็ตามคนที่ดีใจกับเรามากจะเรื่องใดก็ตามคือพ่อคือแม่เนี่ยนะนแล้วผู้ที่เรียกว่าไม่มีอคติต่อเราในแง่ถ้าท่านมีอุเบกขาเนี่ยนะนะก็คือพ่อคือแม่นพ่อแม่นั้นนับว่าเป็นพรหม เป็นผู้ที่เฝ้าภาวนาบุตรในในสอย่างหวังประโยชน์ให้อันนี้เป็นเมตตาคิดบำบัดทุกข์ของบุตรทั้งหลายก็เป็นกรุณาเมื่อลูกได้ดีนะแม้แต่หน่อยเดียวก็ยินดีด้วยมุทิตาแล้วก็เป็นการวางใจอุเบกขาแต่เป็นการวางใจพร้อมที่จะมีเมตตาพร้อมที่จะมีกรุณาพร้อมที่จะเกิดมุทิตาถ้าเขาได้ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพ่อแม่นั้นนับว่าเป็นผู้ที่มี พรหมวิหารเรียกว่าอยู่อย่างประเสริฐกับบุตรทั้งหลายและก็ท่านเป็นบุรพาจารย์สอนเราทุกเรื่องนะคนอื่นไม่มีใครที่ตามจ้าจี้จ้ำชยัยตามสอนลูกสอนสอนลูกเท่ากับพ่อกับแม่เนะผู้ ก, การนี่เขามีประสบะการณ์เกี่ยวกับเรื่องผู้ที่สอนลูกผู้ ก, กานเล่าให้ฟังหน่อยมาลูกสอนหลานเป็นยังไงไหพูดถึงว่า <c oughs> เลี้ยงลูกนะผมยังเข็ดเคี้ยวไม่หายเลยครับ ตอนที่มันเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยนะตอนเป็นัยรุ่นเนี่ยโอ้โหผมเข็ดเลยนะนะมีมีลูกสามคนผู้ชายทั้งสามคนนะกว่าจะส่งกว่าจะส่งเสียให้เรียนก็มันจะไม่ค่อยจะเรียนน่ะแล้วมันตั้งอัตตสัมมาปณิธิไว้ผิดตั้งมิชฉาปณิธิไว้ตั้งไว้ว่างไง ร, รู้ไหมฮะตั้งบอกว่า คนที่จะเรียนสําเร็จโดยไม่ดูหนังสือเนี่ยถึงจะมะบอกกันอืมถึงจะถึงจะเรียกว่าคนเก่งตั้งนี้ผิดนะฮะตั้งไว้ผิดเพราะจะนํามั น, นก็อรอดและมาเรื่อยเลยใช่ไหมมันก็อรอดและมาเรื่อยเลยนะเพระเรียนเรียนหนังสือมันก็ไม่ได้ดูหนังสือใช่ไหะไปขายรถนะฮะโอ้ไปขายจนได้รางวัลไปญี่ปุ่นนะครับรู้ไม่มวนไปขายรถเนอเรียนอยู่นมหาวิทยาลัยไปรีบขายรถไปขายรถไอ้มาสด้าเนี่ย ก็รนะ่อแหล่ล่อแหลแ่จะจบไม่จบแหลมเ น, ะนี่ไหนสุดก็ไม่ก็จบมาจนได้นะแปลกนะแนะอ้วส่งไปเรียนทํำปัญญาโทนี้ที่อเมริกานะมันก็ไปแอบขายรถอยู่ครับก็ล่อแหล่ล่อแล่แล้วมาได้ยังไงก็ไม่รู้กันฮนะผมบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยมันจบมาได้ยังไงนะนะโอ้ยเดี๋ยวนี้มาอยู่เชียงใหม่นี่ผมก็พาลูกหนีจากกรุงเทพนะครับจริงๆเนี่ยมันได้คิดจะมาอยู่เชียงใหม่นะะพาลูกหนีมาอยู่ขืนอยู่ที่นู่น่ะแย่แน่เลย และเป็นความคิดที่ผิดอย่างหนึ่งของผมที่คิดว่าเออไอ้พ่อมันเนี่ยเรียนวัดโรงเรียนวัดมาตั้งหลายวัดมันยังจบมาได้นะเพราะฉะนั้นโรงเรียนอะไรก็ได้ลูกเรียนเถอะนะก็ไม่ได้เลือกสรรโรงเรียนที่ดีนักใช่ไหมลูกมันก็ก็ไปเจอเพื่อในประเภทนั้นเนี่ยนะ ถ, ถึงก็ต้องพาห น, นีมาอยู่เชียงใหม่นะพาไมา่เชียงใหม่แมงตามมาที่เชียงใหม่อีกนะไอเพื่อนพวกนั้น่ะ โอ้โหเนี่ยกลัวจริงๆเลยครับลิงลูกนะในสุดก็มาจบที่เชียงใหม่เนี่ยนะเรื่องเยอะจริงๆครับสองคนตายายเนี่ยนั่งทีหนึ่งตีสองอยังมาปรึกษากันเลยจะเอาไงดีกับลูกเนี่ยมันสาหัสาการจริงๆนะผมกลัวจริงๆเลยนะไอ้ไอไอลูกเนี่ยนะอเข็ดล้ะข้างนัทเข็ดเ ข, ข็ดมากๆเลยไอ้ลูกเนี่ยผมว่าหลายคนนะไม่อเชิดเมื่อเชิดลองถามดูนะครับมีปัญหาคนละแบบนั้นแหละ นะมีปัญหาคนละแบบเนี่ย น, นะนี่ผมยังไม่มีลูกสาวนะถ้ามีลูกสาวมันยังอะไรปัญหาอะไรกันไม่รู้เนี่ยนะบอปัญหามันยิ่งโอ้โหมันจะสายเดี่ยวสายอะไรนะยังไม่เคยเจอนาะี่เจอเจ อ, เจอแต่ไอหลานนี่โอ้โหมันมีเข้ามากเลยเนะไอเตอยมีเข้ามากบอกมันนะเอออยากสวยเหมือนญ้านอยากกินอาหารขยะนะบอกอย่างนี้นะเราเป็นตาเป็นเป็นปู่อะไรยังโอ้โหมาห่วงไปถึงหลานเนี่ยนะคิดดูดิ ไม่รู้มันเรื่องอะไรนะมันดียังไงนะไอ้ลูกหลานเนี่ยนะไหนครับไหนครับไปสอนโลกถึงโรงพักเลยโอ้ลับมากขนาดนั้นนะคือเราเห็นลูกเนี่ยนะ ถึงแม้เขาจะอายุตั้งเท่าไหร่สามสิบสี่สิบปนะเราก็เห็นเหมือนเขาเหมือนเด็กอยู่นั่นนะ่ะนะก็ เ, เหมือนไปสอนเขาไปแล้วเขาไม่ค่อยฟังเราแล้วด้วยนะกูสาตามไปสอน <c oughs> เป็นห่วงเป็นใ ย, ยนะเอเขาเห็นเราไม่นิบลาสมัยแล้วเนี่นะนี่พ่อแม่เห็นเรานะอายุตั้งหกสิบเจ็ดสิบก็ยังเห็นเป็นเด็กอยู่นั่นแหละความรักขนาดนั้นนะ นั่นก็น้ำใจของพ่อแม่เนี่ยในะที่คอยหวงงวังว่าบุตรจักเจริญจักเจริญนนะเป็นทีนี้พูดถึงผู้ที่เป็นบุตรเนี่ยนะถ้าที่จะสนองคุณของท่านานะตามที่ท่านมีอุปการะต่อเราเนี่ยไม่ง่ายเลยที่จะตอบแทนคุณของท่านได้หมดดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่ามารดาบิดาท่านเรียกว่าพรหมเรียกว่าบุรพาจาร์เพราะว่าเป็นอาจารย์ที่สอนเราทุกเรื่องโดยที่สุด ทายุจระปัสสะเนี่ยนะสอนมาไล่มาทุกเรื่องเลยแหละเป็นอาหุนยบุคคลของบุตรหมายความว่าเป็นผู้ที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาของลูกเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนอบน้อมพึงสการะมาดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการขัดสีการให้อาบน้ำและล้างเท้า เพราะการปรนิบัติมารดาบิดานั้นบัณฑิตทั้งหลายพึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาละโลกไปแล้วยังบันเทิงในสวรรค์เนี่นะมันเขาก็ได้ทําบุญกับผ้าหันเลยถ้าหาพระ้าหันทําบุญที่ไหนไม่ได้ก็พ่อแม่ของเรานั่นแหละที่เรียกว่าควรเป็นนาบุญของเราที่สุดที่เราควรจะทําวิธีตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมารดาบิดาว่ามารดาบิดาเนี่ยเสมอด้วยผ้าหาัน เสมอด้วยของสูงทั้งหลายเราคิดดูนะถ้าใครฆ่ า, าพ่อฆ่าแม่บาปเป็นยังไงอนันติยกรรมใช่ไหมอนันติยกรรมถ้าพ่อเลวสุดๆดแล้วลูกฆ่าล่ะก็อนันติยกรรมถึงจะอยู่ในฐานะใดก็ตามบุตรทั้งหลายเมื่อประพฤติทุจริตกับมารดาและบิดาก็ตกอยู่ในอำนาจของอนันติยกรรมขณะเดียวกันถ้าท่านอยู่สภาพใดถ้าเราเทาบุญเลี้ยงดูท่าน ก็นัว่าเป็นทาบุญกับพระอาหารหันต์เช่นกันคือมันปัญหาในยุคนี้ก็คือพ่อแม่บางครั้งเนี่ยนะในบางกรณีก็ไม่ค่อยทําตัวเป็นพ่อแม่สัพเท่าไร่คือหมายความว่าเป็นความทุ่ศีลเป็นอาจินเนี่ยนะตั้งอยู่ในความเลวสารพัดเนี่ยน ะ, ะพ่อแม่บางคนก็ขี้เหล้าเมายาดุดาลูกหลานเรียกว่าที่เขาคําพูดเสียดสีบิดามารดาปกติมารดาบิดาควรจะเป็นร่มโพ ร, ร่มใสของลูกของหลานใช่ไหม อันนี้มันเป็นร่มตาลบ้างร่มมะพร้าวบ้างเดี๋ยวก็ฟ้าผ่าบ้างเดี๋ยวก็กิ่งไม้แห้งตกใส่หัวลูกบ้า ง, างนเนี่ยนะเรีย <c> ก <oughs> ว่าสรรหายคำมาด่าคาสัรหายคำมาเน็บแนมโดยประการต่างๆซึ่งลูกบางคนก็ต้องไปเจอกับพ่อแม่อย่างนี้นะเขามารู้จักหลายคนด้วยเขาก็หนักใจค่อนข้างมากเลยเนะคือที่หนักใจส่วนหนึ่งไหมครับว่าพูดอะไรก็ไม่ได้ไอจะอดทนหรือมันก็มันอย่างว่านะก็คนมีกิเลสกับคนมีกิเลสเนี่ย ถ้าหากว่าไปล่วงเกินแม้แต่คำเดียวก็ชีวิตเป็นยังไงก็ขาดทุนชีวิตอีกละเสียหายโดยประการทั้งปวงโตตอบก็ไม่ได้แล้วต่อตั้งอยู่ในความทุ่มสินเป็นอาจิน